ลำดับที่หนึ่งคติธรรมบอรดฟัง MP3 แผ่นที่7 8โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมแผ่นที่7 8ให้คติธรรมหัวข้อว่า มียาติสัจจ์ประกะโมะแปลว่าผู้มีความปากบันและจริงังย่อมไม่ตกต่ำ อ, อันนี้คือหลักพระธรรมคำสอนผู้ที่มากบัญใช้คเป็นผู้ขยันขยันใช้ปัญญาขยันในการทำการงานแต่อย่าไปขยันทาความชั่วให้ขยันทำความชัววมช่วจีบหายมาก ขยันกินไหนที่มันมันผิดกฎหมายหรือว่ามันผิดจริยธรรมเรื่องว่าโลกทั้งโลกเขาไม่ยอมรับล้วขยันอันนั้นแปลว่าิบผาแต่ขยันในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมสุดจริตชนอันนั้นเมื่อเราขยันเข้าไปแล้วความขยันนั่นแห่จะทำให้พวกเรามีแต่ความมั่งมีสีสุขมีแต่ความร่ารวย ทรัพสมบัติก็จะเกิดขึ้นได้จากผู้มันขยันในการหาทรัพย์ในการสอบสวยหาทรัพย์ในการสอบสวยหาธรรมผู้ที่สอบสวงหาธรรมก็เช่นเดียวกัน ต, ต้องเป็นผู้มันขยันมันนั่งสมาธิมันเดินจงกรมหมันพิจารณาการกลองไตรต่ตรองเหตุและผลทั้งสมสถะและวิปัสสนาถ้าว่าพวกเราอยู่แต่ละวี่แต่ละวันไม่มีอนาคต อยู่แบบขี้เกียจขี้คลานออไม่สนใจจะอยู่ในสถานที่ใดอยู่ในสถานณไหนก็มีแต่วความหายนะมีแต่วความไม่เป็นมงคลในอนาคตคนนั้นในคติธรรมคำนี้ท่านบอกบอกไว้ว่าความบักบักจริงจังย่อมไม่ตกต่ำคนที่ มีปัญญาและก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นธรรมสัมมาธิตฐิเพราคนนั้นมีแต่ความเจริญคาว่าตกต่ำไม่มีด้วยอำนาจคุณพระศีรละนาฏไรพระพุทธญาพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีงลธรรม ขอให้สมหวังดับปราถนาทุกท่านด้วยเถอด